บทที่หนึ่งบทนำปฏิจจสมุปบาทความสำคัญของหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทการที่ทำทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ได้ทรงพิจารณาเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทในขณะที่ทรงพยายามค้นคว้า หาความจริงของชีวิตก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ทรงพิจารณาใคล้กรวนโทษของชราและมรณะเป็นต้นเช่นกับที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ประพฤตปฏิบัตในขณะที่กำลังตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายการที่ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะ หลังจากที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติละทิ้งชีวิตทางโลกเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาอามตะธรรมที่พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งล้วนเป็นภัยอันน่ากลัวของชีวิตสัตว์โลกต่างต้องการหลีกให้พ้นภัยอันน่ากลัวนี้ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ภายนี้กลับเข้าเฝ้าติดตามเหล่าสัตว์ไปเสียทุกภพชาติไม่มีวันจบสิน้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรที่หาจุดจบไม่ได้นี้เป็นเหมือนเรือนจาที่ขังคนไว้กับความทุกข์ทรมานเพราะชีวิตก็คือการเกิดและการตายต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ชีวิตของเป็ดและไก่เป็นต้นเป็นตัวอย่างที่น่าสังเวชยิ่งบ้างตกเป็นอาหารตั้งแต่ยังอยู่ในไข่พวกที่รอดมาจนฟักตัวได้ก็มักจะถูกฆ่าเมื่อเติบโตขึ้นพวกมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นชะตาชีวิตที่ต้องเกิดมาเพื่อถูกฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสิ่งที่น่าอเนจอนาดและน่ากลัวโดยแท้ ทว่าเป็ดไก่เหล่านั้นกลับดูจะพอใจชีวิตเพลิดเพลินอยู่กับการกินการทะเลาะจิกตีกันมันคงคิดว่าจะมีชีวิตอีกนานไม่ได้รู้เลยว่าความจริงชีวิตนั้นสั้นนักเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนก็จะต้องตายชีวิตของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันไม่ได้ยืนยาวมากนัก คนที่อายุห0หรือ60ปีจะรู้สึกว่าอดีตเหมือนเพิ่งผ่านมาอันที่จริงแล้วเวลาหกเจสปีในโลกมนุษย์นั้นเทียบได้กับเวลาหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นดาววดึงเท่านั้นและจะยิ่งสั้นมากเมื่อเทียบกับอายุของพรหมแต่พรหมที่มีชีวิตยืนยาวหลายร้อยหลายพันปีก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับสังสารวัตอันยาวนานจนหาจุดจบไม่ได้เพราะเทวดาและพรหมยังคงมีการแก่และตายไปในที่สุดถึงแม้ว่าเทวดาและพรหมจะปราศจากการเจ็บป่วยหรือแก่ชราที่ปรากฏให้เห็นแต่ก็ยังมีความเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลยที่จะหนีพ้นจากความแก่และความตายไปได้การพิจารณาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาถึงสาเหตุของความแก่ทรงดมริย้อนจากข้างปลายห่วงโซ่ แห่งปฏิจจสมุปบาทกลับไปหาข้างต้นกล่าวคือความแก่และความตายมีการเกิดเป็นปัจจัยการเกิดมีกรรมที่เรียกว่ากรรมภพเป็นปัจจัยกรรมภพมีอุปทานคือความยึดมั่นเป็นปัจจัยอุปทานมีตัณหาความทยานอยากเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์หรือวางเฉยเป็นปัจจัยเวทนามีอายตนะเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยอายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัยเช่นเดียวกัน ในพระสูตรที่ว่าด้วยปฏิจจสมุบาทกล่าวว่าวิญญาณมีสังขารการขวนขวายทำกรรมเป็นปัจจัยและสังขารมีอวิชชาความไม่รู้ตามความจริงเป็นปัจจัยแต่พระโพธิสัตว์ได้ทรงพิจารณาความเป็นปัจจัยแก่กันและกันของวิญญาณ และนามรูปในปัจจุบันพบอย่างเดียวมิได้โยงไปถึงความสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยเราจึงอาจสรุปได้ว่าในการปฏิบัติวิปัสสนาของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปการพิจารณาเพียงในปัจจุบันพบก็นับว่าเพียงพอแล้วที่จะช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้า การพิจารณาโดยอนุโลมและปฏิโลมพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณและนามรูปโดยลำดับว่าวิญญาณไม่มีปัจจัยอื่นใดนอกจากนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของวิญญาณและนามรูป จึงทําให้มีความเกิดความแก่และความตายตลอดจนมีการเวียนเกิดเวียนตายต่อๆมานอกจากนั้นวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหา ปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานและอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์ทางกายและทางใจอื่นๆตามมาหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมบูบาทในฝ่ายที่ไม่เกิดขึ้นโดยทวนลาดับปฏิโลม ว่าเมื่อไม่มีชาติเป็นปัจจัยจึงไม่มีความแก่และความตายเป็นต้นแล้วทรงพิจารณาไปตามลำดับว่าเมื่อไม่มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงไม่มีนามรูปเมื่อไม่มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงไม่มีอายตนะเมื่อไม่มีอายตนะเป็นปัจจัยจึงไม่มีผัสสะ เมื่อไม่มีภาษาเป็นปัจจัยจึงไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาเป็นปัจจัยจึงไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงไม่มีอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานเป็นปัจจัยจึงไม่มีกรรมภพเมื่อไม่มีกรรมภพเป็นปัจจัยจึงไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติเป็นปัจจัยจึงไม่มีความแก่ความตาย ความเศร้าโศกความคร่าครวนความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจกล่าวคือเมื่อไม่มีห่วงแรกในสายโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทห่วงต่อต่ไปก็ไม่มีจนในท้ายที่สุดก็ไม่มีความทุกข์ที่เบียดเบียนอยู่อย่างไม่ ส, งสังซาในสังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้นี้ เมื่อได้ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาททั้งโดยตามลำดับแล้วทวนลำดับแล้วทรงเจริญวิปัสนาด้วยการรู้เห็นสภาวธรรมของอุปทานอาคารห้าแล้วจึงทรงบรรลุมรรคผลตามลำดับจนในที่สุดได้แทงตลอดพระสัพพัญญุตยาน พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนแต่ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการพิจารณาอย่างเดียวกันนี้มิได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดาหากแต่เป็นไปด้วยบุญบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาในอดีตชาตินับไม่ถ้วน เหนือการคิดค้นด้วยหลักตร ก, กะและการคาดคะเนรั้นเมื่อถึงเวลาที่พระพุทธองค์จะทรงประกาศพระาศาสนาเพื่อสั่งสอนชาวโลกได้ทรงดำริว่าธรรมที่ทรงตรัสรู้นี้ลึกซึ้งยิ่งนักยากแก่การเข้าใจเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตและน้อมนำจิตใจให้เกิดความสงบสุข ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเฉลียวฉลาดและการติดตามหลักเหตุผลเป็นธรรมที่สุขุมและสามารถรู้ตามได้โดยผู้มีปัญญาเท่านั้นนักปราชทั่วโลกได้พยายามค้นคว้าสแสวงหาหนทางเพื่อหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายแต่อิสรภาพจากภัยที่ชั่วร้ายเหล่านี้ หมายถึงพระนิพพานเท่านั้นทั้งพระนิพพานเป็นสิ่งที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยการปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาและการอบรมจิตเพียงวิธีเดียวคือวิปัสนานักปราชมักจะตรึกตรองด้วยปัญญาและหลักตรรกศาสตร์จึงเกิดลัทธิความเชื่อขึ้นมาหลากหลาย ที่คิดค้นขึ้นเพื่อความอยู่เป็นสุขของชาวโลกแต่ลทัทธิเหล่านั้นมีสมมุติฐานมาจากการคาดเดาวซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้เลยจะป่วยกล่าวไปยายถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดเพราะแม้แต่วิปัสสนาปัญญาขั้นต่ำสุด คือการรู้เห็นความแตกต่างของรูปและนามก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดหากแต่ได้จากการอบรมจิตเจริญสมาธิจนแก่กล้าตามหลักสติปัฏฐานด้วยการเฝ้าสังเกตความเป็นไปของรูปนามจนกระทั่งสามารถรู้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปกับนามกล่าวคือ ระหว่างความต้องการจะคู้เข้าและมือที่คู้เข้าหรือระหว่างหูกับเสียงและจิตที่รับรู้การได้ยินเสียงเป็นต้นความรู้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดเดาแต่เป็นการรู้เห็นที่ประจักษ์แจ้งชัดเจนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติแม้ในพระไตรปิฎกก็ปรากฏข้อความว่า รูปนามเป็นสภาวะที่แปลเปลี่ยนอยู่เป็นนิดทั้งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องคอยเฝ้าสังเกตการเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะรูปนามตลอดเวลาแต่ผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะทำได้ยากจึงต้องพยายามบากบันเพื่อเอาชนะสิ่งกีดขวางเรียกตามศัพท์ว่านิวรณเมื่อชนะผ่านพ้นนิวรณได้แล้ว จะสามารถจำแนกความต่างระหว่างรูปกับนามได้ต่อเมื่อสมาธิได้รับการพัฒนาให้มีกำลังแก่กล้ามากขึ้นและการรับรู้ของผู้ปฏิบัติมีความชัดเจนขึ้นจากการอบรมสติอย่างจดจ่อและต่อเนื่องเขาก็จะรู้เห็นการเกิดดับของนามรูปได้ และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีสติจดจอ่ออยู่กับการเกิดดับของรูปนามอย่างไม่ขาดช่วงวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นสามารถอย่างเห็นความไม่เที่ยงอ น, นิจจ์ความทุกข์ทุกขังและความไม่มีตัวตนอนัตตาของสภาวธรรมทั้งปวงได้การเห็นแจ้งอนิจจงทุกขขังและอนัตตา เป็นวิปัสนาปัญญาเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นยังห่างจากมรรคและผลดังนั้นจึงกล่าวว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งอยู่เหนือการคิดคน้นด้วยเหตุผลและการคาดคะเน ธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเฉพาะผู้มีปัญญาธรรมะเป็นสิ่งที่สุขุมและเข้าถึงได้โดยผู้มีปัญญาเท่านั้นคำว่าผู้มีปัญญาในที่นี้หมายถึงเฉพาะผู้มีวิปัสนาปัญญาที่จริงแล้วธรรมะไม่เกี่ยวกับความรู้มีคดทีทางโลกที่นักปราดเจ้าลทัทธิาศาสดานักเขียน และนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นแยกปรมัมโนขึ้นได้แต่ธรรมะนี้สามารถประจักษ์แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติได้โดยไม่จำกัดเพศวัยหรือการศึกษาผู้ใดเฝ้ากำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะที่กำลังเกิดขึ้นได้ผู้นั้นจะสามารถบรรลุวิปัสสนาปัญญาขั้นต่างๆไปตามลำดับ จนถึงอริยมรรคอริยผลทีเดียวเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงกระทาการสำรวจตรวจสัตว์โลกทั้งปวงแล้วทรงทราบว่าคนส่วนใหญ่ยังผูกพันอยู่กับกามสุขอย่างดิ้นไม่หลุดยกเว้นเพียงบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเช่นหมูปัญจวัคคีที่คอยเฝ้าอุปถากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะขณะทรงบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่า และท่านปริพาชคทั้งสองท่านที่ต่อมาได้อุปสมบทและเป็นอัครส า, าวกผู้คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการได้เสเวยกามสุขเป็นจุดหมายที่สำคัญในชีวิตหมู่คนเหล่านี้เปรียบเสมือนเด็กๆที่พอใจจะสนุกกับของเล่นตลอดทั้งวันกลั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเพลิดเพลินในโลกียสุขแบบผู้ใหญ่เช่น การมีลูกหลานแวดล้อมส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มิได้เห็นคุณค่าของความสุขเช่นนั้นเลยในบรรดามนุษย์ปุถุชนและเทวดาพากันปรารถนาโลกียะสุขเพราะไม่รู้จักความสุขในฌานวิปัสสนาและนิพพานซึ่งมีคุณค่าสูงกว่า ผู้ยินดีในการสุขอาจเปรียบได้กับชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งผู้ที่พำนักอยู่ในเมืองหลวงเห็นว่าเป็นสถานที่ไม่มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตอาหารและเครื่องนุ่งห่มก็อัตคัดขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็สกปรกทางเดินก็เต็มไปด้วยโคลนตมแต่ชาวชนบทในหมู่บ้านมักคิดว่า เขามีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่และไม่คิดขยับขยายไปจากบ้านเกิดมนุษย์ปุถุชนและเทวดาก็เช่นเดียวกันล้วนยินดีในชีวิตที่แวดล้อมด้วยวัตถุกรามต่างๆถึงแม้ว่าพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายจะพร่ำสอนอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังพอใจที่จะหมกมุ่นอยู่กับกวามสุข และจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้พวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวทรัพสมบัติและบริวารจนกระทั่งไม่สามารถคิดถึงสิ่งอื่นที่ดีไปกว่านั้นได้เนื่องจากความพึงพอใจในการสุขนี้ฝังลึกอยู่ในกระแสจิตจึงเป็นการยากที่จะสามารถเข้าใจ หรือเห็นในคุณค่าของหลักปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานที่สุขุมละเอียดอ่อนและลึกซึ้งยิ่งนักธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องไม่น่าสนใจเพราะขัดแย้งกับความปรารถนาในการสุขของมนุษย์ แม้เพียงแค่คําสอนธรรมดาก็ไม่ชอบฟังยิ่งเรื่องพานิพานยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเหตุที่คนไม่ค่อยสนใจคงเป็นเพราะไม่มีการสาธยายด้วยทํานองสนะไม่มีนิทานสนุกเรื่องตลกหรือเรื่องราวที่น่าสนใจแต่พุทธธรรมเป็นที่ยอมรับเฉพาะในหมู่ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาหรือผู้ที่มุ่งแสวงหาสัจธรรม สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อเป็นการละกิเลสเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีผู้กล่าวประมาทว่าการเทศที่มีการประกอบนิทานหรือแทรกเรื่องตลกเพื่อให้ดึงดูดใจนั้นเป็นการเทศแบบพระสูตรซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ความจริงการเทศพระสูตรนั้นมีความแตกต่างจากแบบที่บุคคลทั่วไปนิยมชมชอบเพราะพระสูตรมีเนื้อหาอันสุขุมลุ่มลึกเช่นอนัตตลักษณะสูตรและมหาสติปัฐานสูตรเป็นต้นแม้ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในพระสูตรตันตปิฎกแต่เหตุที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพระอภิธรรม ก็เพราะเนื่องด้วยเป็นการเทศโดยอ้างอิงหลักวิชาจากพระอภิธรรมปิดกเท่านั้นเนื่องจากว่าการเทศสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นมีแต่ข้อธรรมะล้วนๆจึงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นพระอภิธรรมและฟังแล้วก็ไม่สามารถติดตามได้ยิ่งความหมายของมรรคผลและนิพพาน ที่พระสูตรเน้นถึงก็เข้าใจได้ยากปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นธรรมที่ยากแก่การเข้าใจเพราะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเท่านั้นไม่มีอัตตาตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องแนวคิดเช่นนี้เป็นเรื่องเข้าใจยากมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลก่อนที่พระพุทธองค์จะประกาศพระาศาสนาแล้ว พระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นหนึ่งในธรรมสี่ประการที่มีนัยยะลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจธรรมสี่ประการเหล่านี้คือ 1. อริยสัจสีคือความจริงเกี่ยวกับทุก์เหตุของทุกความดับทุกและทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นหลักความจริงที่บุคคลจะเข้าใจ และยอมรับได้ยากและการนำความจริงทั้งสี่อย่างนี้และการนำความจริงทั้งสี่อย่างนี้ไปสอนให้ผู้อื่นเข้าใจก็จะยิ่งยากขึ้นเช่นสภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดเรื่องราวต่างๆสภาวะธรรมเหล่านี้ที่ปรากฏทางทวารทั้งหก เป็นทุกข์คือสิ่งที่น่ารังเกียจอันไร้ยแก่นสารแต่สัตว์โลกเข้าใจผิดว่าดีงามน่าพอใจจึงขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมาครอบครองการที่จะเข้าใจว่าสภาวะเห็นเป็นต้นเป็นทุกข์จึงไม่ง่ายดายนักแม้การนำไปสอนให้ผู้อื่นเข้าใจก็ยากยิ่งขึ้นไปอีก ความพอใจที่เกิดขึ้นในขณะเห็นได้ยินเป็นต้นเป็นสมุทธยัสัตว์สัตว์โลกทั่วไปได้รับความพอใจแล้วเข้าใจว่ามีรสชาติน่าสนุกสนานจึงขวนขวายให้เกิดความพอใจดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อคลายความเบื่อหน่ายดังนั้นการที่จะเข้าใจว่าสภาวะพอใจเป็นสมุทรไทยจึงไม่ง่ายดนัก แม้การนำไปสอนให้ผู้อื่นเข้าใจก็ยากยิ่งขึ้นไปอีกสภาวะที่ดับรูปนามอันเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเป็นนิโรธาสัตว์และปฏิปทาอันเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์คือมรรคสัตว์ทั้งสองอย่างนี้ยิ่งยากจะเข้าใจมากขึ้นและยากจะอธิบายให้คนทั่วไป ที่ยังยึดติดผูกพันในสมมุติบัญญัติเข้าใจ 2. วิสัยของโลกเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามโดยไม่มีอัตตาตัวตนบังคับบัญชาอยู่ภายในและรูปนามที่ประกอบกันขึ้นมานั้นก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม กำหนดชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว 3. การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ว่าการเกิดใหม่มีตัณหาและกรรมเป็นปัจจัยโดยไม่ได้มีการโยกย้ายรูปนามจากเดิมมาจากชาติก่อนแต่ประการใดที่จริงแล้ว การเกิดใหม่คือการปรากฏของรูปนามในพบใหม่ด้วยกำลังของตัณหาและกรรมแต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์หรือเข้าใจว่าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าตลอดการหรือมิฉะนั้นก็ตกนรกตลอดการ 4. หลักปฏิจจะสมบบาทเป็นเรื่องยากจะเข้าใจ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมที่เข้าใจได้ยากสามประการแรกกล่าวคือในฝ่ายอนุโลมในหลักปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องกับทุกข์เหตุของทุกข์วิสัยของสัตว์โลกและการเวียนว่ายตายเกิดส่วนในฝ่ายปฏิโลมในหลักปฏิจจสมุปบาทจะเกี่ยวข้องกับความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะเข้าใจหรือสอนเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทและผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมหรือไม่ได้เล่าเรียนพระไตรปิฎกมาก่อนก็เกือบจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทได้เลยพระอัฏฐคตาจารย์ผู้รจนาคมภีอัตฐคาปฏิจจสมุปบาท สามารถอธิบายได้เพราะท่านคงได้บรรลุมรกายาขั้นต้นแล้วเป็นอย่างต่ำหรือมิฉนั้นท่านก็คงจะมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานการที่ท่านกล่าวถึงความยากของพระสูตรนี้คงประสงค์จะให้คนรุ่นหลังสนใจศึกษาอย่างจริงจังท่านได้กล่าวเปรียบเทียบเรื่องความยากว่า เหมือนบุรุษกระโดดลงในทะเลลึกไม่สามารถอย่างถึงพื้นมหาสมุทรได้ท่านยอมรับว่าได้รจนาอัตถกถาที่บายจากการศึกษาพระไตรปิฎกและอัตถกถาที่โบราณอาจารย์ได้รจนาไว้แล้วทรงจำสืบทอดต่อๆกันมาโดยมุขปัฏฐะแม้การเทศก็เช่นเดียวกัน โดยเหตุที่หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่อธิบายให้เข้าใจได้ยากผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรตั้งใจฟังเมื่อไม่เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏะสงสารได้ หัวข้อหลักปฏิจจสมุปบาทหัวข้อธรรมที่สําคัญในหลักปฏิจจสมุปบาทมีดังนี้อวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารคือเจตนาหรือกรรมภพสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดอายตนะหก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 เป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณนะความเศร้าโศกความคล่ำครวนความทุกกายความทุกใจและความขับแค้นใจกองทุกทั้งสิ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการชนี